อันมาดูการนำกฎธรรมชาติมาใช้ในชีวิตของมนุษย์พระพุทธศาสนามองชีวิตของมนุษย์ว่าเกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกันโดยสัมพันธ์กันเป็นระบบและเป็นกระบวนการเราจะเข้าใจมันก็ต้องแยกดูองค์ประกอบฉะนั้นตอนแรกเราก็แยกชีวิตออกก่อนวิธีแยกง่ายๆขั้นต้นที่สุดก็คือแยกองค์ประกอบ เหมือนอย่งเราเอารถมาคันหนึ่งก็แยกว่ารถคันนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างสำหรับมนุษย์การแยกอย่างง่ายที่สุดคือแยกเป็นสองได้แก่รู ป, ปรธรรมกับนามรธรรมหรือกายกับใจเมื่อแยกละเอียดลงไปอีกด้านรู ป, ปรธรรมหรือร่างกายประกอบด้วยธาตุต่างๆมาประชุมกันเข้ามีมหาภูตรูปสี่ อุปาทายรูป24่และในแต่ละอย่างก็แยกย่อยออกไปอีกส่วนในทางนามธรรมหรือทางใจก็แยกออกไปอีกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจากนั้นเวทนาก็แยกย่อยออกไปเป็นเวทนา3เวทนาหหรือเวทนา6สัญญาก็แยกย่อยออกไปเป็นสัญญาหก สังขารก็แยกย่อยออกไปต่างๆเช่นเป็นสัญเจตนา6เป็นเจตสิกห0วิญญาณก็แยกออกไปเป็น6เป็น89หรือ121เป็นต้นแยกออกไปออกไปซึ่งเป็นการจำแนกแยกแยะในระบบคันหอย่างนี้เป็นระบบแยกซอยเป็นการศึกษาธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เหมือนนักวิทยาศ า, ศาสตร์แยกแยะองค์ประกอบด้านรู ป, ปรธรรม แต่ในที่นี้เอาง่ายๆแยกแค่สองเป็นกายกับใจเพราะถ้าแยกมากจะยากยุ่งเอาไว้ไปศึกษารายละเอียดทีหลังอย่างไรก็ตามชีวิตมนุษย์ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยไม่ใช่ของตายชีวิตต้องเคลื่อนไหวดังที่เรียกว่าดำเนินชีวิตแม้แต่รถยนต์ซึ่งไม่มีชีวิตก็มีการเคลื่อนไหว เมื่อแยกองค์ประกอบของมันออกดูแล้วจากนั้นก็ศึกษาตอนมันวิ่งแล่นว่ามันทํางานอย่างไรโดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยขณะทํางานชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อแยกส่วนออกดูองค์ประกอบตอนอยู่นิ่งเฉยแล้วก็ต้องศึกษาขณะที่มันดําเนินไปหรือขณะทํางานด้วยการแยกสองแบบนี้ไม่เหมือนกัน ก่อนจะถึงแบบที่สองก็ต้องศึกษาแบบที่หนึ่งก่อนเหมือนแพทย์ศึกษาวิชาด้านกายต้องศึกษา anatomy คือกายวิภาคแยกองค์ประกอบให้เห็นอวัยวะต่างๆว่ามีอะไรบ้างเป็นอย่างไรแล้วก็ศึกษา physiology คือสรีรวิทยาให้รู้ว่าอวัยวะต่างๆทํางานอย่างไรและสัมพันธ์กันอย่างไรทั้งเป็นกระบวนการและเป็นระบบ ในทางธรรมะก็เริ่มด้วยแยกองค์ประกอบที่อยู่นิ่งๆเป็นกายกับใจต่อจากนั้นก็แยกให้เห็นการทำงานเป็นกระบวนการว่าองค์ประกอบทั้งหลายสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยแก่กันอย่างไรการแยกองค์ประกอบแบบหลังนี้จะเห็นได้ในหลักปฏิเจตสมุปบาทซึ่งมีองค์ประกอบส2ส่วนเป็นปัจจัยแก่กันหมุนเวียนไปเป็นวงจร